เป็นการสนองพาติเต็มเปี่ยมไปเลยครันานในการสอบนี้หรือในวันนี้เป็นวันที่สุดของงาซึ่งนจำนอนการมาตั้งแต่วันที่9้าขึ้นทิดตัวค่ำเป็นกำหนดมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่สำเร็จเรียบร้อยดีในทุกเจตนาการาต่างก็แปลว่า หมดแต่งานตว <sk <sk ัวหนึ่งซึ่งเป็นงานของบุคคลเป็นสิ <k <k ่งที่ควรสนใจทระกถึงาเลือกเตาจนเสร็ังนั้นการสาธิยึดจึงจะขออันเชิญธรรมะมาแสดงเ่อเติมเต็มคามทวกขเราสุดวุเรศ ต่างท่า น, า น, า น, านต่างคนแค่การกลับไปบ้านของตัวการกลับไปบ้านของตัวนั้นก็ควรที่จะมีอะไรติดตัวไปบ้างเมื่อเรามีอะไรทิดตัวเราไปจากนั้นของที่จะติดไปนั้นมีสองอย่าง <c oughs> อย่างหนึ่งถ้าไปใช้สําหรับตัวเอง <c oughs> อย่างที่ส จะต้องนำไปแจกจ่ายเชรือจารแต่เชาบ้านกำลังสินตลอดทั้งตูดเท่าไรหรือั้งตัวนี่อย่างที่สองในลักษณะของกุ้งตะแวงนะครับแง่ต้นจะได้ทรัพย์มาจากที่หน่อยหรือจะเป็นเครื่องบริโภคก็โผล่วึ้นมานหนึ่งก้าแวแง่เรากลับไปถึงบ้านของเราแต่เราได้มากก็แจกจ่าย โลกเ่าล้านเหรียญขงผม่มานมาไปจนเหลือเพีองว่ความส่เราบ้านใกล้เรียงกันเรียงตัวตัวบ้านของเราเราก็แจกจ่าขายขรัพของตัวนั้นใหเกิดปโย์แต่คนคนนีไนไม่คสองนั้นใ้คคนจไปแสวงว่ารัมาได้ในสถานที่ใดสินะ ยังไม่รพียงพอที่จะแจจ่ายเสื้อจาน้นก็ให้ถนอมทรัพของตัวเพิ่จุดกระเปนั้นเื้อานลักรัพนั้นจงรอนทรัพนั้นใม้ค่อยไหลไปัวขึ้นมากมายอย่ารับย์ันนั้นไปเสียขึ้นไปเสีทำลายให้กระชาย เราควรจะต้อมถนอมทรับย์บนั้นให้ขยายตัวขึ้นเพื่แปลว่าเราในใน้อยไม่สามารถที่จะแจจะก่ายแก่กุเรงมดลูกเก่านั้นเหลียญบ้านใต้เทียมกอดีแล้วก็ควรถนอมไว้ในตัวเรยดีเมื <c oughs> ่อเราเป็นผู้รู้จักถนอมความดีของตนนั้นความดรอมันก็แก่ขึ้นมากขึ้นเหมือนมากขึ้นมากขึ้นจะเหลือล้อนหลาม เราก็คอยใส่แกลบใส่น้ำต่อไปใช่ยังไม่เป็นที่พอใจของตนก็มาหาใหม่แต่ว่าแต่หาใหม่ก็ได้แต่แล้วสพยายามถนอมไว้นานๆให้พยายามจะทําตัวจะรียการจบบนี้จะได้รับผลประโยชน์หลายถาข้างในตัวเราเองก็จะมีความสุข ทางที่สองดังประโยชน์มุกมคณคิกนให้สําเร็จเป็นไปด้วยดีนี่เป็นหน้าที่ของเราพุทธมรรบเมื่อเราไปแสวงหาบนแผนจินได้แในสถานที่ใดเราต้องสําเร็จอย่างนี้ื่อเราควรที่จะต้องในทับทิศกับเผาไปบ้านของเราจะเป็นก้อนใหก็จะไปโปรยปลายขยายความในนั้นเกิดไปหลโย ก็ได้น้อยก็จะน่อมรักษาวไหวไปดีนีเป็นนักบุญในทางพุศลศาสนาต้องเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเราแต่หาชาติของเรานั้นไม่ทราบไม่สนจากนั้นเป็นเพื่อนฝังการชีวของเราเรื่อยไปให้ผปรยู่ไใสองท้งางแรงให้ผไปอยู่ในชาตินี้ ทางี่สองทั้งจะละแตก 8, ําลายหายสูญไปจากโลกนี้บนก็สอนก็จะเป็นเครื่องที่แนวทางเราให้ไปในสถานที่ดีถึงไหนจะมาเกิดในโลกนี้ก็ไปเกิดในโลกที่เจริญไม่ได้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเส้นใจเพราะคสั่งไว้คือความดีนั้นอำนวยผลให้สาเร็จเดือนั้นแหละนี่เป็นคำสั่ง เป็นคเตือนหรือที่แนวทางหน้าที่ของเราที่ได้มาร่วมทั้บหดคาตเตืนอนกุศลโดยอาการย์นันี่จงพากันะหมดจดรมไว้ให้ดีตนี้จะได้นความรู้สึกในตนของตนมารรยายใ ห, ให้พวกเราทั้งหลายฟังนั้นจงพานตั้งอกตั้งใจตั้งตสอารมณ์ของเราไม่หยัด ย, ยันเป็นตกตอตอง ใจเรานั้นไม่มีอะไรเสี่ยวข้องในขั้นยาลมต่างๆให้ใจสว่างไสวเบิกบานแจ่มแจ้งขึ้นในปัจจุบันนี้นะโมเทสสะโกฎะโวราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมเทสสะโกฎะโวราหะโธสัมมาสัมพุทธะนะโมเทสสะโกฎะโวราหะโตสัมมาสัมพุทธะบุษฐานขมาสร้างทางนมัตถาน สัพพะนังธมทานังสิณัสสิมาตาธรรมปริยัตตาโอโธทัตตาตัมมันเตสัตสังขโมโหตัมโมตีนาฏนี้จะนำเค่งธรรมมาแสดงเพื่อเป็นการประกาศมอบหมาย ให้แกพวกเราพุทธบริษัทถึ่งได้พากันมาเผยถมสิ้นบาปตันในวัดนี้และกัรมาทั้งพวกเราทั้งหลายนั้นทั้งใสเยริงหักและมันประสิทธิเรื่องเมตสิทธิ์และกอประโยชน์ตัวลทองมด้มาในสถานที่ต่าง หลายกังวลการมาสอนครพวกเราเหล่านั้นเมื่อสองตัดเลยกระเพกหนึง่งเมื่อการเชิญทวนรับแจ้ใบกำหนดการแล้วก็มาล้วนทำเป็นผูสอนุมนุมกันในสถานที้เป็นเวลาอยู่ทิเจัตวาและเป็นแบบน่ง มีได้อาเป็นนักการทำคาเฟ่ด้วยไม่มีบัตรเพอียกข่าวทราบข่าวแวๆวๆสารสอต้องก่นแล้วตอนนี้เจตนาดีเครื่อมืเจตนาดีนั้นเมื่อสองทาข้างหนึ่งมาเห็นว่าการทำเชนนั้นเป็นการบนการกดดันทั้พวกเราว่าเขาจะเรียกแค่เด่นก็ตาม แต่เป็นคณงามความดีกว่านึงเราต้องมาบางคันก็มีเหตการอย่างนี้กา <c oughs> นกระทังล้านเนื่อก็เช่นเดียวกันเป็นแต่ทราบข่าวแล้วก็ได้พากันมาร่วมรบร่วมใจลักษณะชนี้ เป็นเกษตรนาตัวตนให้สำเร็จขึ้นในดวงใจของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนนาง่อท่านก็เห็นว่าเป็นเอืน่นเป็นครูบาจารแม้ท่านจะไม่เรียกไม่ฐานเราก็ควรไปเมื่อท่านก็คิดเห็นชนิดการท่านดางารในมาร่วมชนิดบาตและกว่าทุการต่างๆอนสำเร็จ ม, มาจนบัดนี้ลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ ผู้แสดงบรายายมานี้จึงขอแสดงความขอบคุณขอบใจแกท่านทั้งหลายเป็นอย่างยึ่งเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่มากหลายอย่างหลายหน้าที่ถ้าแม้ตนจะทําไปโดยลาําพังคนเดียวนั้นเพื่อและเพื่อแน่ว่าไม่สําเร็จไม่เช่นการเหล่านี้การชันแดดตัวร่รวงมาโดยดินาน เป็นคุณงามความดีของท่านหลายต้องเรียนมาสองหน้าที่ดังกล่าว <c oughs> ทีนี้การที่มาให้สำเร็จคิดการเหล่านี้ลงไปจนั้นเพื่อท่านหลายก็จะได้รับผลสองปร <c oughs> ะการซึะการหนึ่งเรียกว่าเป็นบนเป็นกุศลไม่ต้ อ, องสมัยเลยก็การที่เช่นั้น เป็นคุณเป็นประโยชน์ <c oughs> เป็นบนเป็นกุศนั้นคือแปลว่าเราไม่เคยมาในที่นี้เราไม่รู้จากคุณเคยัทำแต่ทราบว่าเป็นการบางเป็นโกุศลก็พาตนมาด้วยความหวังบุญหวังโกุศลอันนี้เรียกว่าเป็นบุญกุศลอย่าแน่นหนึ่ง แยกพระแนกหนึ่งก็ยังกลาวมานั่นแหละไม่ฐานะติเป็นคณะขาโนเถิดบ้างไม่ฐานะจะเป็นเพื่อนเป็นเมตตรกันบ้างไม่ฐานะจะร่วมโูบาจาย์เดียวกันบ้างเมตต์ตังใจมาช่วยเหลือเการณ์ตัละอันนี้ด้วยความแต่ด้วยความพอใจของสด อันนี้ก็เป็นบนเป็นกุศลส่วนส่วนหนึ <c> ่ง <oughs> และผลที่จะสร้องถึงนี่ล่ะก็คือบนกุศล น, นี่อย่างหนึ่งและบนประโยชน์นี่อย่างที่สองบนกุศลนั้นเป็นเรื่องส่วนของตนเองจะรับผิดชอบไม่ผลของตนเอง <c oughs> ส่วนคนนั้น ผู้ได้รับการสนับสนุนั่วยเหลืออย่างนั้นก็เป็นผู้ไม่ไละเริ่มบนคนของกันทั้งหลายงานมีตัญญาฝังไว้ในดวงจิตว่าเราทำงานในตีนั้นเวลานั้นเพื่นอ น, น ส, สมหมคณะเสนาศึกเล่มาช่วยเหลือเราแ ง, ง่เชตุรันได้แต่ขึ้่อนเมตานะที่มีความสมามารถ ก็พร้อมจะมีโอกาสไปชนงคนพวกกันหลายไอยตามคำหลักท่านนี้ใครจะเลือกขานก็าตามไม่เลือกไม่ขานก็าตามแม้จะไปนไอยก็าตามไปไม่ได้ก็าตามแต่ความเจตนาที่จะทําให้พวกเราเหล่านั้นได้ <c oughs> ดีขึ้นแน่สานได้ทันหนึ่งก็ยังไม่ไว้ที่จะถอนสิทธิ์นั้นแม้ทางสายไปไม่รอดทางวาจาพูดไม่ถึง แต่ดวงจิตไม่ได้ทราบว่าผลเกิดขึ้นด้วยใดว่ามีอนทางที่ยกสนนับถือวนตัวเหลือกันดูตัวกลางมีหลายถึงคนเงินก็สนส่วนใดตัวไหนก็สร้างไว้ก็จะได้สร้างใช้แทนแม่ทัพตัวทิศตัวสนผลจะทำานล่งไหลลงไปแก่พวกคนลอย เกิดันก็ว่าพวกเราไปทำไรทำนายในสถานเดียกวกันง่ยเราไปโสดข้าวหรือทำไรทำสวนหากว่าพวกเราไปเกิดความกะนานเกิดเส้นเส้นฝนไม่ตกน้ ม, มันแห้งง่า <c> ย <oughs> ั่านคนนี้จะต้องมีหน้าที่สะกบขึ้นตัวอย่างเช้นหาหน้ามาใส หรือว่าเราจะตั้นวาสนาเมื่อหากว่าไม่สามารถจะไปตั้นช่วยไม่สามารถที่จะไปหาบ้าขนนิวน้ำมาช้วยเรสาบขาว่าพวกเราอดอยากกันเชนั้นเพราะที่ไม่ได้เลือกถึงคนท่านเท่านั้นก็จะเจลียนแม่ขาจิตการเจลียแม่ตาจิตนั้นเป็นของเะไครับเป็นของที่มองกันได้ครือ่า เหมือนก็ไฟที่มันออกมาจากลูกตาของเราลูกตาเราไส่ที่จะต้องทคงขอ า, ากาดนั้นมีทุกค น, นกเหมือนก็สายเหมือนกับว่าไฟรถยนต์ที่ก็สายไปตามถนอนอย่าง น, นั้นแหละแต่ไฟในตาคนนั้นมันอ่อนแม้เราจะมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นแสงไฟ่าเพราะก็่แสงอ่อนก็แสงอ่อนนี่เส้นไฟเดีกาย ถ้าแต้าอันไปได้ได้ดวงใจผู้บำเพ็ญสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นซึ่งสามารถที่จะมองเห็นโลกภลับซึ่งธรรมชาติไปตานั้นไม่มีที่สึ้นสุดแต่ว่าใช้การไม่ได้เพราะอะไรเพราะติตไม่สงบถ้าติดไม่สงบก็เหมือนกับคนที่ วุนวายโยมาจะรุ่งมาจะบุ่นมาจะวายโยเมื่อคิตตุ่นวายในเรือการสิ่งนี้อำมาจากักปุถุคดวงตาเราถึงจะมีไฟสา ย, ยกระตาไม่ผลประโยชน์เพราะไฟนี้เป็นไฟที่อ่อนและเป็นไฟที่ละ เ, เอียดวิ่งไม่ใกลมากเสียกันเดียวแต่ว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบ ก็จะมาเห่นทางไปได้ทันทีเรียกว่าเิีปก็ถูกนี่เป็นอย่างนี้นี่เรียกปัจจสมมตาตุท่อยู่ในมนุษย์และสัมมาาที่นี้อยู่ในมนุย์ถ้า้ก้อนเือนทลายตัดไปขาดสมบัญถ้าเอายของใครแข็งแข็งแก่รา เดอตั้งต่ในโลกนี้ทำมสามารที่ะสัตย์กระแสไปในทางของมวลชนคนนั้นตอนนั้นจะเลื่อนาเพราะาจจะมองเห็นไกลไดสารเส้าจะมองเห็นไกลได้มีกล่าวถึงพุทธภาพในร่างกายของมนุษย์พุทธภาพของร่ากายนั้นก็ตั้งความในพุณภาพสูงโดยทำไมขาแต่มันใช้การไม่ได้เพราะคนเจ้าของนั้นอ่ะ เป็นคนที่มีมเจตพงศาวงอาเจตพงศาวนั้นก็ <c oughs> มันกับคนเดี่ยวเล่ากําลังเมาสัตถึงแม้จะมีเครื่องมือใช้ถอยดปในบ้านก็ไม่สําเร็จประโยชน์มาใช้จะต้องใช้าอาวุธแ้่จะหาสารคนนั้น่ <c oughs> าคนนั้นเป็นคนดีอาวุธมันก็จะเป็นเครื่องสาวสมก่ อ, อสร้างแสวงหาทรัพย์เนเงิ น, งนทองคนมามาลงหน้ากายเป็นศพแต่คนนั้นเป็นคนมีคนเกล็ด มีเม็ดมันก็จะปิดคาหัวคนวเป็นเหตุให้คนไปเป็นเหนาาตุให้พาไปติดคุกติดตลาดเถิงทำไมติดคุกติดตลาดในส่วนภายน อ, อกเขาจะต้องเข้าห้องขังหรือเข้าขังในบ้าน <c oughs> นี้ก่อนมีสันใดแม่นรสหลายเกิดมาในโ ล, ลกนี้แม้มีธรรมชาตินี้ ด, ดีในตัวนี้ก็ตามแต่เรื่องผิดนั้นนังไม่เป็นปรกดติอีกครั้งใดหน้าตัวนี้แล้วยยก็จะกลายเป็นโทษไปต่าง กล่าวทั้งหลักธรรมชาติทีนี้กล่าวถึงเรื่องเลวรับในเรื่องจิตในเรื่องโทตะมันยิ่งลึกลงไปแต่ละลี่ยิ่งลึกลงไปกว่าร่างกายนี้ฉะนั้นการที่ทั่วเหลือกันในทางจิตยิ่งลึกเข้าไปกว่านี้อีก้ากคนตัวผู้ขัดตัวอังจิตของตนเึกดผลเน่ด้ปึกผลอย่างอย่างดีส <c oughs> ่วนเรื่องความร่มเย็นเป็นสุข แม่คนข้อนด้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อทราบขาความพบที่เกิดขึ้นแก่พวงข้อนั้นเห็นเมย้อนทางจะช่วยเหลือได้ก็ใช้อํานาจทางจิตบำเพ็ญจกิดแตั้งมันก็สามารถในการส่งกระแสนั้นให้แรงก็ไปช่วยเหลือได้ทันทีด้วยเจตสัสสำรนั้นท่านเรียกนันก็ว่าคนธรรมดาสามนิส เปลี่นมัน็น้ำเข็มที่อยู่ในมหาสมุทรน้าเข้มในมหาสมุนนั้นก็อาจก็ไม่สบายกายไม่สบายจิตแผแตจขาดบังาศัยการสะสมขึ้นล้วจะเดิมจะเป็นก็ไม่สามารถที่จะบารุงร่างกายของเราให้เจริญได้ทำไมนี้จริงๆก็ควรจะพอดีพอจะแก้ไได้เหมือนกัน ทันใดก็เดืดวงใจของมนุษย์ในโลกนี้แต่เชื่อว่าลอยอยู่ในมหาสมุทรเขาเรียกว่าสามวะขาวะโขาอายาขาติขาั้งเมหัสานี้เป็นมหาสมุทรอันล็กลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรคือเป็นน้ำอก็ในทะเลคือกลาวว่าายดวงจิต ซึงว่าเรือมาหาสหมตรตอมอยู่สนามแข่งสนามวันวันทํามันแข็งจัดคืนมามานอนตรีนมันก็รู้กรีอย่างนั้นนอนก็ไม่ลับฟิตไปทางซ้มันก็ไม่ลอบฟิตไปทางขวามันก็ไม่ลับมันเคยเกิดเคลือนเคลืนมามาสนานก็มาจกมหาสมอกลายเป็นกามาออกาก <c oughs> เื่อนเทเลียนของกลางพัฒนการที่เรศ ก, กาลนี้เคลืนก็คือภาวะความอยากมีอยากเป็นลิ้นลมฟันเฟื่อยตีดามฟ้นไปจากภาวะของตัวสุทีอท่ออกทะคืออนเลมันมีความสิดเห็นของตนแตเดี่วเป็นเหตุเกดการทะลว่าอันนี้ก็คือว่าเราลอยอยู่ในน้ำแข็ง อวิาโอขาใดก็อวิชาความเมื่อเมื่อข้างหลังไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อข้างหน้าไม่รู้เรื่องอานอาคตในปัจจุบันอันใดเป็นความดี อ, อันใดเป็นความทั่วในตนั้นไม่เคยนึกคิดกลายดว้วนเก็บได้หลงไปตามโลกตามสงสารอย่างนี้คือว่าอึกา ขมันดารองเจตมนต์พุทธมายารัต้ตองไ่าอิงเรียการชนิดเกิดนี้ก่อองคเจินซองพระมหาคุณาที่คนกองทายทพวกเราสร้างบนสร้างกอดรน <c oughs> ้นท่านฉะนั้นแนะนำทั่เราให้พากันบำเพ็ญทานมั่พากันสร้างเรือมังเรือก็เคยได้แก่ร่างตายของเรา ควรสงเด็จตงการารรมสมุทันได้จอปชีลาส์เรื่องผัวสาพุทธมรดสักศึกษาจะมาเสือสละกนั้นเป็นใจจอดแต่วัดว่าเรียกบำเพ็ญทานกานรสอนถ้าใครทำ ม, มากเราก็จะไปข้ามาสมุทได้เพราะมีอ่านกิ่นแต่ใครทำน้อยสมเด็จ ม, มัด บางทีก็ไปแท่งแท่งในกลางทะเลบางทีก็สักส็กันไปมันบกกอัวาหากวาเรื่อมันใหญเรือดาเล็กมันก็ไม่สามารถที่จะต้องขึ้นไปถึงหาถึงายได้ก็จะจมลงไปในมาหาสมุครสารร <c oughs> นี่พระอานางเป็นาเรการอย่างนี้แทนจะนิ่งนั่น้ำไม่พวกเขาว่าต้องแต่กันสร้างุณ ง, งามความดีเสเถอม ควงามความดีของพวกเรานั้นก็คือคนงามความดีทีเ่เกี่ยวทั้องกับการความงามความดีก็ได้แก่การปฏิบัติความาสามรัดแหลงยายวยาร่างกายขอลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อ <c oughs> เนเช่นนี้เราจะตออ้องได้ผลสองอย่างดังนั้นเราก็จะ เรือของเราก็จะไม่โ้อยางที่สองสมเด็ลรามาก็สามารถที่จะข้าวปลเอาสมุทรอาหมาสมุทรไปได้ธรรมดาคนที่มีเรือเดินทามสมุทรแม้สมเด็จเสดอจเรือแป่นั้นบางครั้งก็จะหมดน้ำเดิมน้าบริโภคแม้สมเด็เอื่นก็ไม่โยกลำบากนี่เป็นสินี้ คุณยังซนอี่ากลหนึ่งไอ้การน้าเค็มนี่แหละกินไงเรามีปัญญาสามารถต้านน้ำคมกินเราก็จะไปถึงประเทศอเมริกาตอไม่ไม่ต้องร้บอกกึนน้ำเค็มนั่นแหละคือมีปัญญามีปัญญาในไหนน้าเค็มก็มาจากนัำเกลน้ำเกลมันก็จะต้องกลายเป็นน้ำเกลือมันเค็มขนาดไมันก็มีเกลือทีนั้นมันมีแต่กันไม่ได้ เมื่อเกิดความรู้เกิดขึ้นเรือการชนี้คะ <c oughs> น, นั้นก็จะเดินกรรมมาส ม, มุงหมดใต้โลโลกแล้วก็เป็นจริงๆด้วยถ้าเราตันเป็นน้ำเกิดน้ําเต็นก็แล้วนั่นแหละมันจะกลายเป็นน้ําเติดเมื่อราสา ม, มารถที่จะทาน้ําเต็มเป็นน้าําเกิดได้เทนั้นก็สบายเราจะไปก อ, อนในทะเลแล้วก็ได้กินน้าําเกิด ตปใช้นาเตะทำละทะเระร่างกายทสมาดีอันนี้ฉันได้พวกเราจะพิจาว่าจะนำสมุดตาสอนกราใโลกนี้เหมือนกันเราก็จะต้องแสดงยาเรือของเราใหมันดีสองขนเบียงใสเรือของเรามันเสียงทอสามจงหาวิธีกันน้าแข็งมนเป็นน้าเตะ เรือนั้นก็คือได้แต่ร่างกายของเรารัาไม่พอถ้ามันพ อ, อยิ่งกว่านี้แล้วกว็จะลำบากมากมนมุษย์ร่างกายของเรากว้างมันก็สอบเรียกว่ า, สวางสอบงาวาหน้าซีดเ ค, คือแกลบเคลือบแต่เรือก็เคือบมองมองเรือปักที่หนึ่ง <c oughs> นีน่เรือนี้แหละเรือลานี้เราจะต้องจ่ายดี <แ>การดกดจับเรือของเรนั้นด้แต่การสังวรเรียกว่าอินทรีย์สังวราศิมมีการสังรวมตาหนามัดระวังได้เกิดบาเกิดกรรมใหพทั่วเพียงมากข้อทังรวมหูมนแต่การที่ทั่วสารนมัดระวังใหญ่เกิดเป็นบาปเป็นกรรมเข้มาเข้ามาในหูของเรา สิเป็นบาปเป็นกรรมนั้นมันเป็นตัวเอียง <c oughs> แรงแคมองเขาเอาสมายก่นอนสึงได้จะเป็นบาปเป็นโทษเราจะได้สนใจในสิ่งนั้นเพราสิ่งนั้นเห็นว่ามันเป็นเอียงมันเป็นตัวมอดมันเป็นถึงจะต้องทำเรือของเราหนานให้พุกให้พังแม่ทนายสอนให้จังรวมกายจั้งรวมตาจํารวะใจใจมือ ทั้งความเล่นจนตลอทั้งความกายของเราถึงนใครไม่ควรทำจะเป็นกรรมเป็นโทษเราจะไปทำเราควรจะแต่อนตอไปะละมัดระวังทั้งความพิจารณาโดยดีเสียก็อนเมื่อเถียงมันมาเกากายของเราทางพอดเรือตราไปกายและนาวานี้ก็จะเสือขอพระจักรเสือง้อยเป็นเหตุได้ยอมเมมาหาสมุทรด้ทางหนึ่ง <c oughs> ใจของเราไปทำเองอย่าให้ภวที่เด็กมาเกิดขึ้นในดวงจิตเราจะต้องมัตตว่างสร้างควมเยือยอย่างี้เอีนดเงี่เามีหยุดการมีการหยุดมีการทีใจอย่าย่อเสมอไม่ชนะอัญตนาเท่าขอเรานี้เราก็อย่าหยุดเป็นนิดก็จต้องาร้ห หัวจะต่องจาด้วยเสียงสมองจะต้องจาด้วยกลิ่เล่ น, เนจะต้องจาด้วยรสกายจะต้องายาด้วยสมปะตย์ใจจะต้องายาด้วยธรรมด้าตานั้นก็คืออะไรสุตานานศเป็นใดที่เป็นตนเป็นกุศลเป็นปโยชน์นนมวัดก็มำไม่วัดกตามเมื่อเราพัสานยามื่เกิดก เราควรจะตร้างเสริมเติงคัดขอ้องานัน้นให้เต็มขึ้นโดยดั่ดับในสภาวะตาดะ <c oughs> <c oughs> หูที่นี้เมื่อเราได้ฟังสิ่งใดก็ถึงนี้เจตนาบอกเราก็ต่างตอนเราก็จำไม่สอนก็ต่าเมื่อเราได้ฟังเสือหูก็ไปมาใกว่าสึ่งนั้นเป็นคุณงามความดีเกิดประโยชน์จากคน จะเป็นคนชนิดไหมก็ต่างจะเป็นเด็กเป็นใหเป็นพระเป็นเนรเป็นเจดผูตต้ต่ำทำคราบจะตามใดยกเลิกแล้วจะต้องเลือกวัตถุสิ่งที่เป็นประโยชน์เกินใดจะประโยชน์จะทนเราควรจะต้องสนใจฟังในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเสียงเป็นเครืค่องก้าหูขึ้หมันเรียกว่าเป็นเคร้ยนตอกเปค่อยๆก็ตอกหมันเลือกง่าละเวทผ่านกินเพื่จะไมาทานเจ้าหมกของเรา กลินนันใดจะเกิดความเบิกบานใจเป็นสิ่งกะไหละมาถึงบขงนข้อสอกน้อยใหญ่เราก็ควรแสวงหากลิ่นนั้นม า, าม อ, อ, อย่าจะเมาพร้องค่อนเป็นเด็ดให้ดวงจะรับความร้อนเย็นเป็นสุขยาตายที่นี่ไม่ใช่พวกเราพาตนมานั่งฟังเทศด้วยความสงสารับไม่สนใจ มในการมาตเลนทำไมนั่งฟังเสกมันสวดมนต์ดันเยืนเทียนให้ใจเรายกขึ้นกอหมากนับกตานบูชาพระเจ้า้วยเป็นจงกรพรรดิอันนี้ก็เหมือนกัตอบเหมือนเลือเรียกว่าเสือน้าใจเสือน้าใจนั้นเป็นสรมโสษฐเราจะต้อนใจด้วยการนักและการเิศ จึงไปเมื่อเราคิดไปใจเสียอย่าไปคิดจะเป็นขันโลกก็ตามทางธรามก็ช่า ง, างแต่เป็นเหตุให้ต้องเจตนเกิดความโรกรดเกิดความหลงจากไปชนกันเลยนะ <C oughs> เราจะต้องหันเล็ยแม้ทางบนก็สั้นไตอนในใายขั้ทางมาจะปางก่อนทั้งอย่างกนพวกเราด้ แ, แพ้จะมาลเลยเ่อความบีเที่องขนาดร้อย น, น, นั้นมาแบบนี้ เพืกอจะจะพัฒนาจะทำใจตัในใจก็ตามพุิธศาสน์มารวมบำเพ็ญกุศลอีกั้นหนึ่งคือมาถึงสภาคด์เนี่ยว่าเป็นเรื่องกาติมาจากนั้นก็แปกันพยาามบำเพ็ญความดีขั้หนึ่งเรียกว่าเจริญสมาธิการเจริญสมาธินั้นก็คือว่าเป็นการญาดวงจีตตวการหลักาติใจไมองโดใจเชน อันนี้คือว่าเป็นการยาเดือดหลอได้แก่ร่างกายในบาลเรียกว่าอินเสียสรวงวรศิษย์มื่อการสรวมตามีการการสรวมห้องมีการสรวงสมุเอลเพลงกายจิตเรือเราก็จะลอยอยูใ่ในมหาไม่มีก้อนนะไม่เรียกว่ายาเรือดที่นี่เรืองเรานั้นแลเรก็ะทำยังไ เราจะต้องมีจะต้องผลของใส่ขนของใสได้วจกการพวกเราไม่เกิดมาในโลกนี้มีความสุขอาศัประเทศชาติมีการบริโภคาอาหารมีการมีการนุ่งผ้าพร้คนสบายมีามกรารอาศัยเขอาสถานบ้านเรือนเป็นที่อยู่ เมื่นักท่องเที่ยนะเพื่อตมาเยี่ยมจะอัปราชลามกซจ่งมีความสบายร่มเย็นเป็นสุกมาถึงตรงนี้เ <c oughs> มื่อเรัพิจารณาเห็นดรอัการถึงนี้มาหวันละล็กว่าเป็นตัวของคนเื่นเมื่อคนมาตัวของเราเห็นในตัวเองถึงนี้ก็ค่ายสันคลอนเป็นปฏกยาชาสวาญไม่นำบาปเป็ น, นทานสวาบปฏิยาชาเพื่อ ่นสำงเกตในปัจจัยทางใจอันนี้คือขนของใสเรือ <c oughs> ต่อไปก็ทันกันกลางไปขึ้นบนนาคา่ปแก่เชินหรืออะไรก็นหนาตต้องขึ้นบนธรรมแล้วก็กล่าวประกาศจักรธรรมะเพื่อเป็นการขับตอนขัดวงจิตของไายล้อมไปในทางที่ดีที่ดวงจิตนั้นก็วิ่งสีไปตามแต่สท้ทำร่างกายก็ไปรวย ด้่ยการเขาสร้ า, างแท็กแล้วก็เป็นเธอเอาปใจจอยากตังกกต้งอึกอยากไปอึก่แหละเรือพ้องเรากําลังถูกลำพัดเรือก็วิ่งเร็วลำก็แรงเป็นเหตุเป็นรื่องเหล่านั้นวิ่งถึงใไป <c oughs> ได้นานนื่ถ้ามีใบเป็นเครื่องส่งเสริมส่องใส่มากมันก็หนักมันก็จะจมได้ถึงเดียวกันเหตุนั้นเมื่อทําบุญให้ทานการโกอน ตึงในงามในการแสดงสรรมาเพื่อแผ็นเรัอสะท้อนพัดนันดวงจิตของเราเหล่านั้นไปเรื่อยไปตามกระแสธรํานี่ก็อาที่สามเรือเราจะเดินได้นั้นจะต้องอาศัยมายความสามน้อยเพียงใดก็จะวิ่งไปตางความต้องการทั้งบุคคลที่หนึ่งนี่ก็การที่สองเป็นการที่สาม วิตกกันน้ำแข็งไม่มเป็นน้ำเดิดเดืดแก่กานมาจะเริยนสมาทานสมาทานม <c oughs> าจะเรียนพัฒนาสมาท า, านปุกรนาโดยวิตกกันเกิดขึ้นไม่ อ, อนข้างตันน้ำแข็งก็คืออะไรก็คือสิเลสไ <c oughs> อ้เจ้าสิเลสจมาสิ่งจะเรียกเขาเรียกมาสินสมา นิดนิแน่หอยแล้วก็วมันเต็มเตินไม่ได้แต่ที่เหลือกม็มันมเต็มนี่กเกลีไปอีกมันอาจทำให้จัตตาลคนันเปื่ยแลเสียหายด้วยการต่านี่เมื่อตอนนี้นี่จะทำยงไงแล้วตามกานการไม่การครองการครองนั้นเรียกว่าเรียกว่าไม่น่าเชื่ แม่ร้อยสมบัต er ิที่นายก็ต้องใจรวามสินดที่นายรอบเก่อนนี่เป็นมอกันลูก่งเมื่อกันลูกที่งนั้นแม่จการที่มาจะรียนธรรฐทานมาพิจารณาขัานของตขันต่ำในหน้าโยบะยเหนืออุบายห้าทายจะเรียข้อของการะเดิน ในการตอบมาเปิดยังไงก็งงลมาเป็นประธานางดวงที่เรียกว่าพอจะทำจะเป็นเครื่องรับนาดวงที่ของเราสำคัญปรนการที่ถูกในการมาเจริาคดปรานทางที่แย่เป็นพิการนั้ม เสถะหล่อนเสถะพันธทั้งเสถานือกายานุพันธ์นั้นที่พันธ์เวทนานปพันธ์ที่ตัตมารมทั้งเสถกานเฮเครื่องม้าวังโยตัจัยกับจิตเมตต้อยในแดงเรียกว่าการโนโลส่วนปฏิโลนั้นเสถให้เป็นหนึ่งหนึ่งในสี่เสถหนึ่งเมตเป็นส่วนปฏิโลอันโลนั้นก็คือกะแวิต วิชาณเดืเลมีธรรมะที่เชื่อเสือให้เป็นแนงคือแมอวัยวะของเราเราจะยกเอาแต่สิ่งใดเป็นหนงแดงมาได้แต่แปลกด์อยู่ในสมายสุสัติปัฏานสวดว่ากายในกายเป็นเกิตนแห่งอารมณ์ของสมาทานโดยธรรมนิ่มแคอทั้งสี่ส่วนใจสมกันเท่าแล้วก็รวมมาเรียกว่ารูปกาย ขาดดินขาดน้าลมใสจะซ้อมกันเป็นก้อแม่งะเลอากาศแม่เราเห็นวามันมากหลายอางหลายชนิดหายเ็บผู้านไม่สงบเราก็อเรือก็จะส่วนโดยเออตะเถรตัวการจะขากไปเราถึงขาดป็นเราถึงขาดน้าเราถึงเราจะนิงอยู่กับลอมมกับอาลมอย่างเดียว เราก็สตาร์ทขา้นมเราเนมีเรื่าารองพัฒนตาต่อถ้าเราม่เลนาไมใเขา้าเราไม่ต่องานมาต่างก็ตีกําหนดก็ต้องมองกันอย่อยางนี้ตเ น, น็ตมีเรือตเกยก า, ายใจเราเข้าแล้วกมองําบากแลก้วกมองสับรัวเตียไปบางเขาสัญญาบ้างเขาเปลือเอียบา ง, ขาขงเขาเป็ยนบางเขาขลอ้อน บางคนจะไม่รกษาเรื่องกตอญญูบางครัวก็คนตัวนีอจะถึงความเก็มีความผ้าฝายเชื้อสมัดาธรัแต่น้ <c oughs> ต, นต้มต้มน้ำนั้นไม่ยาของกระ้นซึ่งการเหนงกับไฟมันแรมันเดือดมากเป็นเถิดเป็นน้ามันเป็นไอมากเดือดกัวหม้อไฟเราดับนะบางครไฟมันดอนตอนบางครั้งไมันดอนมาำไม่ เ, ด, เดือดไฟไม่เดืด บางครั้งก็พอดีพอดีไม่อ่อนมากนะักไม่แรงมากนะักเป็นพอนรน ป, ประมาณเลยก็มาปฏิบัติไปแล้วก็พอดีทำหมอ้อเกิ็ดไรขึ้นไม่ถึงที่ต้องไปตันฝ้าเรามีไอเปิดแต่มันมีไร อ, ออกมาตามหม้อตามหากาันไอที่มันออกมาไม่ไกลไปนักเลยอันนี้ล่ะ การที่เนียสังเกตดูแงเราต้องการอยากมันเป็นมากมากใจของเราก็ไม่สงบเรอมก็กำเลยไม่ละเอียดมีคือความอยากแต่แฝงบางคราวก็อ่อนจนไปนัง่งสงบใจล้มกะเลียดเบา้ารับไปเลยจากนี้ก็ไม่จบ <c oughs> แล้วต้องคงให้เีชธรรมผสมให้มีเกษตรสาตปัญญากรรมกรรมตั ก, กตโยนเป็นเนส วันจิตเราจะโยกตัดล้หยาดเราปะตาวงจิตเราจะอยกตัดลมหยใจเราปะตาื่อละมีเกษตรสำคัญนะไส่ตามโดยการชนิดผลที่มันเจอเรื่อนั้นก็คือได้เสพติดกายก็สบายใจเบาก็ยก็สงบกาก็เย็นเงียบวันจิตมันก็รู้สึตวระอื่นนั้นทำงานเบิกบานใส่เข้าโอยกานในร่มสมาธิ มี่แหละมันเกิดน <ize> ้ำเกิด like ที่นีน้ำทำแล้วก็หายไปกรามอาชันทายก็หายไปปัญญาตาทาความไม่ความปัญญบาก็หายไปเสื่อนามาธาความงอกงวนก็หายไปรุดทะแปรจจารความทุกข์ขันลำขันเกิดก็หายไปปยจจารความดังเรศองไทยปลายใจม่เป็นทางานดี ไกลไปวิ่งไนิทานนานๆพบพักมาจอปมาปัจจุบันนันก็ไม่รู้แท้หรือจริงเมื่อเจ็บแล้วนม่งแล้ไใจใจละเอียดก็จะเิดความสงบขึ้นก็มีความสุขใจก็อิ่มน้ำกํำลานเบิดบานใครสามารถชะนานอยู่ได้ล้านก็มองอันนี้แหละั้นได้ใครอานน้าเิอลงไปเรือสมอต้นนึ่ง เมื่อในปัญญากันน้ำเข็มไม่เป็นน้าเกิดน้ำตรงนั้นก็เป็นถิงรักษาจันรเราสามารถที่จะกันน้ำเข็มจินได้รอบโลกเหอดนั้นผู้จะเรียนสมาธิเมื่อเกิดมีวิตกนุกกะดวงเกิดสื่สออารมณ์เป็นผัวประสมฌานหนึ่งม <c oughs> ีการทิกนจามาสมานของเราอย่างละอียระดูเป็นเอ็ด เมื่อกา้ของเราปฏิสิจนาคัดเลือกค้วยดีดวงเจตเราปฏิเนตสิจนาเห็นโทษไม่มีวาทั้งห้าอย่างตอนนั้นตัวกก็จะสงบเรียกว่ากายเปตาติดวงเจตก็จะดีเรียกว่ากายเรียกว่าจิตนปาติก า, ายก็สบายไม่มีอการเจ็บวดไม่เมินมีความเบากายเรียกว่ากายเนโตา ขันนี้ก็เป็นตตะกิด เ, เป็นดวงเกนั่นก็เอ็นนั้นสำราญต้องสร้าน้การายเมือ น, าานกาคนี่กินอาาเอ็ง า, น, น, ง า, น, น, น, งานรูรก็กินอาหารเอมไม่รบกวนซึ่งพ่อแม่ทั้งตอนสาตัวชนพุทธมเดชทั้งหลายเมื <c oughs> ่อใจของตอนเป็นีตะเตเป็นเครื่องจำศัพ น, นั้นก็จะมดไปจากความประวัก็ะวาย ลัวนใจน้ำก็มีความเย็นน้ำเสียถึงเกิะขึ้นจากน่าจะขึ้นจากน้ำเแ้มก็จะต้องอาศัยเป็นเครื่องที่แตาโพกเดินจะต้องผ้ากันพัก พ, พักผ้าเบียงผาสบสายของเราทั้งหลายที่ผ้าหนังเป็นเครื่องจะต้องอาบผิวน้าเป็นเครื่องจะเป็นเป็นเครื่องที่จะต้องอาบอยู่นัง ตอนนั้นก็จะคล้องผ้ากันสาดเพื่อชาดินก็เป็นผ้าสีเหลืองผืนหนึ่งถ้าน้ำก็เป็นผ้าสีเรลืองผืนหนึ่งชัดลมก็เป็นผ้าสีเรลือพผืนหนึ่งชัดไฟก็เป็นผ้าสีเรลืองผืนหนึ่งมันค่อยขาคอยเท้าคอยหมอนโยยาโยเป็นเม็ดเมื่อมื่ดวงจิตเป็นดวงสมาธิ ให้เจ้าขึ้นอำนาจเต็มก็จะมาพาก่อพาเด่นพาน้าพาป้อมพาควาต่อไปจะจะต้องทาองัานร้อนอก็ไม่ต้องไปตาดแระต้องกันหนาก็ไม่ต้องไปตาลมโดนะต้องกันเย็นก็เย็นโดนโดนักโดนอ้ามต้องกันอุ่นก็อุ่นก็สบายสบายจิตเหมือนคนไ่มีภาพ บ, บกติดร่างกายจะไปเนรสรกมได้ก็ไม่เจอฉัน นันนี่แล้กลัวปฏิบัติทางหลายจึงไม่กลัวลำบากไม่กลัวลำบากเพราะเหตดพราะมีเครื่องอาศัยเมื่อน้าเกิดเมื่อน้าผาน้าทิมเครื่องทุกตัวก็เสร็จเร็จเคื่องได้เจอนมาตอ้ำส่ต่อชาหูสมองเป็นต่อเกิดต่อาเป็นต่น้าตาอลมตาไฟ แม้เสวะเที่ยงอุปาภต้องการบริภคเทจะเดิมก็ไปนั้นก็มาเจริญธรรมะเบื้องบนให้ดวนเกิดนั้นเกิดว่าเกิดเติแม่ความตกความตกก็เกิดกันนึงด้วนเกิดแม่ด้นเึิดแม่ความตกกายก็ม่ความตกกาก็ม่ความตก วางเกิดตัวเดิมแต่เดือดความสดทาง้าจะิ่งวาพาิงไปว่าความสงบจิตไม่นิ่เกิดฐีเตะเต้นเครื่องอุปภพเป็นเครื่องชำระร่างกายโดยตรงด้วยกระแทกตัวแขงตกนั้นเต้นเครื่องชำระดวงจิตรเดียวแช่นั้นเมื่อใกล้มีันามาการน้ำเทมร่างกเป็นน้ำเกิดก็จะมีความร่องยนเป็นสด เงินหม้อกันรองคัวหนึง่งรองที่สองกันแล้วงั้นมื่อถึงเดือนที่จะเรีย่จะถอนเงินให้ละเอียดตัวกลางกันซาะกันถึงน้ำทานบางกลางัวนีเอ็นข้อห้อติดอยู่แล้วก็ขึ้ื่รนไปในหม้อตสองก็ยึ่งเป็นข้ อ, อ, ข อ, อละเอียดอันนั้นแกท่านจะเริ่มมีพัฒนากรรมฐาน เป็นของเราเองสามารถจะมาเงนินได้กาจะเรียนโดยก็จะเริ่มในศัสนาจรมาทานจะนั่งโดยก็จะเริ่มในศัสนาจรมาทานจะนอนแม้จะนั่งใพศนาโยปาก็พูดต้วงเกิดก็เช่นนักามรมเมื่อตอนสังท น, นจะแต่งทํำพูดต่อทีหรือเป็นจิตตังขาร เกิดขึ้นลำพังอนก่อดี่ไม่ติดไม่ติดกายสังขารเกิความเป็นดูของนังกายไม่ติดไม่สี่สังขารเกิแกากันไม่ติดเพื่อจัดเพื่อจัดแต่งคาพูดให้คนอื่นสนดับคาพูดทั้งคนเไมเติดตัวติดเสมอแลนแต่ทำและความเหตุนั้นเกความเป็นดูของนังกาย ไม่เกิดเพือสังขารคือดจาการไเดเพื่อจับับเพื่อจะแงคำพูดให้คนเื็นสักดั์คำพูดของตนสมาธิความเกิดก็มืนแร่แท้แท้และความเกิดนั้เกิดขึ้นจักเวลาขหะก็มีความรู้เท่าทันดวงจิตนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องสังขารไม่เกี่ยวข้องกับสังขาร ไม่เกียวกรนจิตตาสังขารบวนเสร็จก็จะเป็นเดีหมดลดก็จะสังขารทั้งหลายเพื่อนเพว่าสังขารจะตึ้นมีความแปรมีความดับไปในที่สดกายสังขารก็เช่นเดียว <c oughs> ยกันญาติสังขารก็เช่นเดียวจิตตสังขารก็เช่นเดียวแม่มาเห็นสิ่งกาณีเป็นสามันรละสามัญญาลักษณะมีสภาพเสมอการ เม่ไทรทองนเป็นงางเม่เที่ยงมุนวิญญาโยเป็นตพโยสังเป็นศกคนโดยง่ายอนานาคาสร้างมาสมบับรจับบรายเป็นไปตามนะักอำนาจของตอนคนนั้นจะเดินโยก็ตามจะนั่งจะนอนก็ไกอเพลีก็ตามโยก็ตามก็ไปกอกกกไปอี่ตามโก็ตั้งมจะนั่ง น, นักคนเดียวก็ตามคุณงามความดีทั้งหลาย ก็จะไหลมาอยู่เป็นเน็ตอันนี้เทว่าผู้จะเริ่มมีพระณาธรรมคนนั้นสามารถที่จะตั้งลงตันอย่างไรก็สามารถทีจะอนามาสมุอรใจเป็นก้อนแม่เมื่อสามารถที่จะทํานามาสมุทรเป็นก้อนแม่จะเป็นรอยเนื้จะนัาภิศารตอนนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายรับความทุกข์หนักลำบากสันดาน นวามทั้งหลายจยก้อนเมฆก็จะต้องรับยาลาดล่องมาเพือเนปฏิทีที่มนุษย์ทั้งหลายอาัตัวทนทำนาทำสวนก็เจออาศัยแต่ความสะรวกสัตย์ได้ผู้นี้จะนใจแก่ห่วงโลกนีความเมฆทั้งหลายต่อเกลียบมันความเมฆเมฆเกิดกันขอนก็เจอช่วยรับทอดร่อนเกิดความล่ำเยนกันสดอันนี้ เป็นความดี่วนึหงจอดตั้งจา่ภูมิปัญญาเมื่อคราต้องทนพุตมารยาททั้งหลายไม่พาทันมากำหนดบทบาทสาคาทานีข้าทาหนึ่งท้องพาทันไดาเรียของตัวข้าทาที่สองก็ต้องพาทันนกางใบตั้งเ้าล้มเมธิดได้ก็จ้องพาทัานใบไม่เป็นที่นัน แล้วก็พร้อมหิดการทนก็เบียงก็ไปในเรือต้องคลบิจริงการบำเท่นพันกระสอนให้เจอเช้นจากฆาธิษาองภากันก็พากันกันน้ําเช่นใครเป็นนําเกตเมื่อใครมีวิจทิงการเชิไม่ทนเรือกาาธินี้นั่นและอย่างตามที่สุดจากมาเป็นมนศษย์ก็จะต้องใครเป็นคนดี ถ้าใครไม่ ส, ส, สัมมาสมาตังบาปบันที่ร้ามบําเพนโยเปเนตุสามาจะทำ่วงจิตสงฆ์ตนในพรเพืาพบเจ่นั้นสาธุชนคุฏามารษัทั้งหลายเลื่อพากันมาสนี้บาปเปคนชนบําเพนโตรนในคราวนี้เจงของความธรรมทั้งหลายที่มันง่ายมานี้ให้แกท่านทั้งหลาย จ้องนําไปปปลือกปลาัตี๋ยไปทางก็จะพากันไสอบประเพณีแต่ความสุกความเจริญงอกงามไม่แต่พุทธศาสนาเม่อเรื่แสดงมาก็ต้องควรจะใช้เวลาแวังใจด้วยเพ่ารศกษนี้ นะสาวรีม้าปุราเปริปรนตาจารังเกวามีโสตินังเปตานังปะตะปะสิตังปฏิทังตมังคิทามิวจัมมตตโตชาติเรนโกตังกัปปะสันโธปนารโฌตามิโธติระโฌตัสสุปุิโยวัชชะตุสภะโขวนัสมาเตสุวัตวันตลาโยติติกายุโขวัติวัตนะสิมังุธาปะสัยโนจตารุตมะวันตยุปนโนสุขังสละ Uh-uh. <smart noise>